พระไตรปิฎกเล่มที่สิองจุลธรรมะสมทานสูตรการสมาทานธรรมสูตรเล็กการสมท า, านธรรมหรือธรรมะสมาทานหมายถึงการสมาทานคือการถือปฏิบัติลัทธิหรือข้อวัดข้อปฏิบัติได้แก่จริยาที่ตนยึดถือสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเกตปรุงสาวัถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายการสมทานธรรมะ4ี่ประการนี้คือ 1. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. การสมทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบัน และมีทุกขเป็นวิบากในอนาคต 3. การสมทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต 4. การสมทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตการสมทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไร คือมีสมณพราหม์พวกหนึ่งผู้มีวาทาอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีสมณพราหม์พวกนั้นยอมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายเสพกามบำเรอกามด้วยหญิงสาวด้วยนางปริพาชิกาและกล่าวถึงสมณพราหม์เหล่าอื่นว่าเหตุใดจึงกล่าวถึงการเห็นภัยในอนาคตด้วยกามเป็นเหตุ ทำไมจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงการได้สัมผัสแขนอันมีผนอ่อนนุ่มของนางปริภาชิกานี้เป็นความสุขแล้วก็ถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุ ก, กติวินิบาดนรก สวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดนั้นจึงค่อยรู้ชัดความจริงว่าท่านสมณะรามพวกนั้นเมื่อเห็นภัยในอนาคตของการมทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกรมทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้การมทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ยอมสวยทุกเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะการมเป็นเหตุ เปรียบเหมือนผลสุก ข, ของเถาย่านสายจะพึงแตกในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนพืชแห่งเถาย่านสายนั้นจะพึงตกที่โคนต้นสาละต้นใดต้นหนึ่งเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นกลัวหวาดเสียวและถึงความสะดุ้งด้วยกลัวเมล็ดเหล่านั้นจะงอกงามและทําลายต้นสาละที่ตนสถิตอยู่พวกอารามเทวดา เทวดาผู้สถิตยอยู่ในสวนดอกไม้และไม้ผลวณัเทวดาเทวดาผู้สถิตยอยู่ในป่าอันธวันและป่าสุภะวันเป็นต้นรุกขเทวดาเทวดาผู้ที่สถิตยอยู่ที่ต้นสดาวเป็นต้นซึ่งเขารักษาไว้อย่างดีพวกอารามเทวดาวณัเทวดารุกขเทวดา และพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมากญาสาโลหิตของเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาระนั้นสางก็พากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยมเมล็ดพืชแหงเทาย่านทรายนั้นบางทีนกยุงอาจกลืนกินบ้างเนื้ออาจเคี้ยวกินบ้างใบ ป, ป่าอาจไหม้บ้างพวกคนทางานในป่า อาจถอนไปบ้างปลวกอาจกัดกินบ้างหรือไม่งอกขึ้นแต่ไม่เป็นดังนั้นคือไม่มีนกหรือปลวกมากินไม่มีไฟป่าไม่มีใครมาถอนเมื่อมเมล็ดเหล่านั้นถูกเมฆฝนตบรดแล้วก็งอกขึ้นด้วยดีเป็นเถายานทรายเล็กละอ่อนมียานห้อยย้อยเข้าไปอาศัยต้นสาละ เทวดาที่สถิตยอยู่ที่ต้นสาละนั้นจึงกล่าวกับเหล่าเทวดาว่าทําไมพวกท่านจึงบอกว่าเถาย่านสายนี้เล็กละอ่อนมีย่านห้อยย้อยอ ย, อยู่ไม่มีโทษมีภัยจะมีสัมผสัสอันนําความสุขมาให้แต่เถาย่านสายนั้นเลื้อยพันต้นสาละนั้นครั้นเลื้อยพันแล้วตั้งอยู่ข้างบนเหมือนร่มแต่เถาอยู่ข้างล่าง ทำลายลำต้นใหญ่หญของต้นสาละนั้นในที่สุดเทวดานั้นต้องเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะพืชแห่งถาวย่านทรายเป็นเหตุทำลายต้นสาละอันเป็นที่อาศัยลงไปแม้ฉันใดสมณพราหมณ์ที่มีความเชื่อว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีก็ฉันนั้นเหมือนกันสมณพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในการทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเสวัยทุกเขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดนั้นภิกษุทั้งหลายการสมทานธรรมะนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต การสมทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือป ร, ริพาชกบางคนในโลกนี้เป็นอเจลกะคือประพฤติเปลยกายหรือฉีบเปลยเป็นผู้ไม่มีมารยาทเลี่ยมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจง ไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคไม่รับอาหารของหญิงมีคันหญิงที่พอเกลียชายไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขในที่มีมแมลงวันไต่ตอนเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อเขารับอาหารในเรือนหลังเดียวอย่างชีพด้วยข้าวคำเดียว ยังชีพด้วยอาหารเนถาดน้อยหนึ่งใบกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคือนหนึ่งวันหรือการบริโภคอาหารตามวาระ15้าวันต่อมื้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้เป็นต้นบริพาโชคนั้นเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างลูกเดือยกากข้าวสาหรายรำข้าวตังกํายานกินหญ้าหมูนโคเง่าและผละไม้ป่า บริโภคผลไม้หลนยังชีพอยู่เป็นต้นปริพาจกนั้นนุ่งห่มผ้าปานผ้าหอ่อศพผ้าเหลือกไม้หนังเสือผ้าเหลือกไม้กรองอากมพลผมมนุษย์ผ้ากมพลขนสัตว์เป็นต้นเป็นผู้ถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระโยงนอนบนที่นอนที่ทำด้วยน้ำหรือการลงอาบน้าวันละสามครั้ง คือการอบกายหลายรูปแบบเช่นนี้อยู่โดยประการอย่างนี้เป็นต้นการกระทาเหล่านี้ยอมทำความทุกข์กายให้เกิดขึ้นในปัจจุบันและหลังจากตายแล้วยอมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาท・นรกภิกษุทั้งหลายการสมทานธรรมะนี้เรากล่าวว่ามีทุกในปัจจุบัน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 เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโสดาเนืองเนืองเป็นผู้มีโมหะกล้าโดยปกติเสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโมหะเนืองเนืองบุคคล น, นั้นมีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างเป็นผู้มีหน้าหนองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์หลังจากตายแล้วเขาไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์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 อันเกิดจากราคะเนืองเนืองเป็นผู้ไม่มีโทสะกล้าโดยปกติไม่สวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโทสะเนืองเนืองเป็นผู้ไม่มีโมหะกล้าโดยปกติไม่สวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโมหะเนืองเนืองบุคคลนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความพองใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจตุตตะฌานหลังจากตายแล้วเขาไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้ เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมทานธรรมะสี่ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิทนี้แล้วภิสุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล